พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่14พระสูตรที่41สอสัจจะวิพังคสูตรสูตรว่าด้วยการแจกอริยสัจพระผู้มีพระภาคประทับน่บาอิสิปตนมิคาทายวันแขวงกรุงพาราณสีตรัสเล่าเรื่องที่ทรงแสดงธรรมจักน่าอิสิปตนมิคาทายวันแล้วตรัสแนะให้คบพระสารีบุตรและพระโมคคัลลานะ